ธรรมชาดกแผ่นที่สองลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่21พฤษภาคม2553มมีชื่อเรื่องว่าอดีตชาติของพระอนุรุทธะวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเรา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 แปดสองหนถ้าปีตะก่อนก็ผ่านมาแล้ววันวิสาขาบูชาแต่ปีนี้แปดสองหนเขาก็เลยจัดให้เป็นเอาวันเดือนเจ็ดเพนวันเดือนหกเพนเก่านะไม่ใช่ปีนี้แปดสองหนเขาเลยมาจัดเป็นวันเดือนเจ็ดเพนคือวันพระครั้งหน้านะี่วันนี้เป็นวันขึ้นแปดค่าเดือนเจ็ด เป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันรักษาศีลเป็นวันประชุมในวัดของเราพร้อมกันปฏิบัติกันมาอย่างนี้โดยสม่ำเสมอ8ดค่ำสิห้าค่ำทั้งขึ้นทั้งแรมปีหนึ่งเดือนหนึ่งก็ประชุมกันสี่ครั้งวันนี้ก็วันหนึ่งในการประชุมแล้วก็ได้ร่วมกันไหว้พระ พร้อมกันจากนั้นเมื่อไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าก็จะได้กล่าวสัมโมษนิยกาถาให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพวกเราเข้ามาศึกษาใหม่ก็ยังไม่กว่างขวา ง, วางแต่ผู้ที่เข้ามาใหม่แต่ได้ศึกษามาแล้วอย่างดีอันนั้นก็กว่างขวา ง, วางแต่ผู้ที่เข้ามา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 แนะนำสั่งสอนให้พวกลูกหลานน้องๆให้ได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติมองไม่เห็นอย่างอื่นถ้าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาจะเฉลียวฉลาดรอบ ร, รู้รอบข อ, อบขึ้นมานั้นมองไม่เห็นทางเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกเอากล่าวเอาไว้ว่าอนในสงแห่งการฟังธรรม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 ฟังทำแล้วก็จินตนาใข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้ยินได้ฟังนั้นมีเหตุมีผลอย่างไรแล้วก็ภาวานามยัปัญญาปัญญาเกิดจากการทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เน่งจิตใจไม่หิวโหวยพวกรพวนกับเรื่องภายนอกให้จิตใจตัดเรื่องต่างๆออกหมดให้ใจดูเปิติสระตามลําพังนึกว่าจิตใจสงบ เมื่อจิตใจเป็นอิสระแล้วนำมาพิจารณาไตรตองเหตุและผลก็เกิดปัญญาที่แท้จริงอันนี้ว่าภาวนามยปัญญาเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาท่านก็ยืนยันอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นพวกเราเข้ามาศึกษาก็ต้องออกยงใอาศัยการได้ยินได้ฟังได้ค้นคว้าจากตำรับตำราจากหนังสือจากนั้นก็ครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าของสานักอย่างหลวงพ่อเนี่ย ก็จะได้บอกกล่าวแนะนําให้เกิดความรู้ที่หลวงพ่อได้ศึกษามาจะให้พวกเราได้ประพฤติธปฏิบัติเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านที่เข้ามาสู่ภาคการสาวพัดหรือได้เข้ามาศึกษาธรรมะปฏิบัติที่วัดวาศาสนาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาประพฤติธปฏิบัติ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 มันออกมาจากใจทั้งหมดถ้าวัดใจของเราไม่เข้าไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดไปถือร่างกายมันก็อยู่ตามลําพังใจก็อยู่ตามลําพังมันหิวเพราะอะไรเพราะใจให้ความสําคัญใจเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็แยกใจออกจากกายซะอยู่ตามลําพังถึงมันจะหิวข่อยไม่ทกขยากลําบากไม่บิบบังคับจิตใจแต่จิตใจของเราไม่เป็นสมาธิมันหิวมันหิวจริงๆเพราะนั้นแหะ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 จะเป็นบ้าเอาได้ง่ายๆเพราะมันคิดออกนอกรูกนอกทางมันหิวค่ะแต่ถ้าว่าผู้ปฏิบัติแล้วจิตใจจะแน่งสงบนี่แหละวิธีการปฏิบัติของพระกรรมฐานเนีอยู่แบบกันดารอยู่แบบอดอยากปฏิปทาของสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราการพูดการคุยก็ให้อยู่ในน้อยที่สุดถ้าไม่จําเป็นอย่าไปคุยกันอยู่ในความสงบถามผู้ใดต้องการความสงบต้องการจิตใจให้สงบ ตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนแล้วพยายามให้พูดให้น้อยที่สุดให้หลีกเล้นอยู่ตามลําพังเป็นอิสระในการเป็นอยู่อย่าไปคบค้าสมาคมกันจนเกินไปถ้ามีการพูดคุยกันมากจนเกินไปกระทํางมาจิตใจปุงฟุ้งออกไปทั้งโลกวัตะสงสารเพราะมันอยากจะไปอยู่แล้วพอมีการพูดคุยแนวๆแล้ว น, นนะมันก็ฟุ่งโจดออกไป บางทีจะคว้าหางไม่ทันเหมือนนแะไม่รู้ว่าไปที่ไหนแล้วสัญญาสังขารมันพารอบโลกจักรวาลนล้วกว่าจะรู้ได้ใจของเราคิดไปที่ไหนโอ้ทําไมปุ่งฟุ้งขนาดนี้เพอเพยังยินดีในการปุ่งฟุ้งของตนอีกต่างหากเหตุไรเพราะสติของเราไม่ทันนะถ้าสติของเราทันแล้วโอ้วันนี้เสียละเสียหลักแล้วปุ่งฟุ้งมากเกินไปต่อไปเราจะไม่ทําอย่างนี้อีก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 ใจของเราก็ไม่ปรุงไม่พุ้งไม่ซ่านจิตใจไม่ออกนอกครูนอกทางจิตใจนิ่งจิตใจสงบจิตใจมีเหตุมีผลจิตใจของเราไม่หิวไม่โหยไม่กวนกวายไม่กระสับกระสายจิตใจกําหนดให้อยู่ในความสงบกปรยกำหนดได้ทําให้เป็นสมาธิก็เป็นสมาธิาธได้จะนําให้คิดทางด้านปัญญาพิจารณาเหตุทาเหตุและผลในเรื่องราวต่างๆก็พิจารณาได้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 ไฟในการศึกษาตามแนวแถวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าตามแนวทางที่ครูบาอาจารย์แนะนำให้แก่พวกเราพวกเรานำมาประพฤติธปฏิบัติพวกเราก็จะรู้เห็นอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะนั้นพวกเราเข้ามาศึกษาถึงจะมีเวลาน้อยก็ความต้องตั้ง อ, อกตั้งใจให้จริงจังแล้วก็ให้เป็นอิสระอย่าไปพูดคุยกันจนเกินไป อย่าไปคบค้ากันกันจนเกินไปอย่าไปคบกันคุยกันจนเกินไปอยากจะให้ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนแให้ครูบาอาจารย์บอกกล่าวซะก่อนแสดงว่าพวกเราถ้าจะว่าไปเหมือนกระเด็กนะให้ผู้ใหญ่บอกซะก่อนยังค่อยปฏิบัติท่านแนะแนวเท่านั้นพวกเราหน่าจะรู้แล้วว่าเอออันนี้ไม่ใช่แนวทางของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์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 แต่บัดนี้พวกเราเข้ามาศึกษาในเมื่อพวกเราก็ามาศึกษาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามแนวแถวที่รับที่เราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์เอาสิาทํำแต่อย่างที่ท่านพูดสิเพอเราปล่อยจิตปล่อยใจมาก่อนหน้านี้แล้วเราไม่เห็นได้อะไรแต่บัดนี้เราจะทดลองดูตามแนวแถวที่ท่านอบรมสั่งสอนแนะนําพวกเราเนี่หละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลาย ทำต้นอย่างนั้นนะแล้วก็การภาว น, นาเบื้องต้นเบื้องแรกตาตานาำตามแนวแถวที่พระพทุทธเจ้าบรมครูของพวกเราที่ท่านได้ค้นคว้าศึกษาก็คือทัดกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกออกหายใจเข้ามีสติสัมปะชัญญะหายใจออกมีสติสัมปัญนสัมปชัญญะหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวมีสติ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 หายใจเข้าพุทหายใจออกโธอันนี้คือพยายามทําจิตใจของตนให้สงบนี่แหละอันนี้ก็คือทำคําสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ศินคือวินัยศินคือวินัยพระวินัยพระสูตรพระสูตรคือเรื่องราวที่เป็นมาพระประมัต ธ, ธรรมก็คือนี่แหละวิธีการประพฤติธปฏิบัติดูจิตใจของตนเองนั่นเองปรมัตธรรม พระสูตรก็อย่างหนึ่งพระวินัยก็อย่างหนึ่งพระประมาตธรรมคือพระอภิธรรมหรือพระพรมาตธรรมนี่แหละอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องจิตใจใจของเรานึกอคิดเรื่องอะไรใจของเราปรงฟุ้งส่านเรื่องอะไรใจของเรามีอารมณ์อย่างไรมันจึงปรุงฟุงส่านอย่างนี้ใจของเราได้รับอารมณ์เรื่องอะไรแหมมันจึงเป็นอย่างนี้ครับอารมณ์ทางโกรธใช่ไหมเขาดูด่าว่ากาวเขาว่าให้เราอย่างนั้นใช่ไหม หรือเราไม่พอใจเรื่องอะไรไปทางโกรธใช่ไหมหรู้เป็นทางราคะทางราคะคือความรักความใคร่อันนี้อย่างนั้นใช่ไหมนี่แหละอันนี้คือปรมัติ์หรือว่าวิถีทางเดินของจิตใจเพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญจุดนี้มากกว่ากฎระเบียบนั้นอึดอีกส่วนหนึ่งการอยู่ด้วยกั น, นเรื่องพระสูคือความเป็นมาอันนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนเรื่องภาวนาจิตภาวนาน เป็นจุดพประสงค์ของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อท่านไปอยู่ตามลำพังท่านก็มีกฎมีระบิดอย่างนั้นก็คือพระสูตรคือความเป็นมาอย่างไรวันที่ตัดรู้ทำนั่นแหละที่ท่านภาวนาพระองค์ภาวนากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกและกรรมาฐานที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรูนะ้น่ะที่ว่าลมหายใจเข้าออก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 ทำพิธีแลกนาขวัญสิทธะที่ล่นเขาไปกับพักผ่อนนอนพวกนางแม่นมทั้งหลายเห็นว่าท่านพักผ่อนนอนแล้วกับเฮโลกันไปดูพระเจ้าแผ่นดินแลกนาขวัญพระองค์พระสิทธะท่านนั่งอยู่ตามลำพังที่เป็นเด็กท่านนอนอยู่ตามลำพังท่านก็ตื่นขึ้นมาตื่นไม่เห็นใครพอไม่เห็นใครท่านก็นลุกขึ้นมากำลังสมาธิเทไย ทำไมท่านจึงรู้ว่านั่งสมาธินั่นคืออะไรเพราะพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ปฏิบัติมามากต่อมากสีอสงไขยกำไรแสนมหากับเคยเป็นลือสีสีภยัยเคยเป็นนักพจนักบวชเคยบำเพ็ญเรื่องจิตภาวนามาก่อนอย่างโสโซนวันกนะันนมากมายเพราะนั้นอุปนิสัยเก่าของพระ อ, องค์เนี่ยฝังอยู่ในส่วนลึกของใจพระไทยของพระ อ, องค์โผล่ขึ้นมา ท่านก็นั่งขัดสมาธิเนี่ยพอนั่งขัดสมาธิท่านก็ภาวนาของท่าน่ะกําหนดลมใจของพระองค์เข้าสู่ความสงบรวมลงเป็นหนึ่งเลยแล้วก้าเกิดฌานเกิดญาณทัศนะเกิดอภินิหารต้นว่าที่พ บ, พบทพระพุทธองค์นั่งอยู่นั่นไม่ขยับเลยเงาวเ ง, งาต้นว่านไม่ขยับเลยตรงเหมือนกับเรากันล้มเนี่ย แดบไม่เข้ามาถึงพระ อ, องค์เลยฮพวกนางสนมแม่นมทั้งหลายไปดูการแลกนาขวานเสร็จแล้วก็ระลึกถึงสิทธะอ้อใครอยู่กับพระลูก้าวที่ไหนได้ไม่มีใครไปกลูกันเข้ามาจากนั้นพอสิทธะท่านออกจากสมาธิแล้วยาณาชัชชะท่านคลายแล้วแดด ก, ก็ส่องเข้ามาเป็นปกติก็เป็นที่อาจารย์ในครั้งนั้น สมัยเมื่อท่านเป็นกุ ม, มารแต่เมื่อพระพุทธองค์วันเดือนหกเพนพระพุทธองค์ก็อันนั้นกำลังที่จะเป็นหนทางที่พระองค์เข้าภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบในครั้งนั้นเป็นพระบาดฐานและเป็นพื้นฐานและเป็นแนวทางของพระองค์พระองค์จึงได้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อหายใจเข้าหายใจออกพระองค์จิตใจของพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่ง จิตเป็นสมาธิปวดง่ายๆพอเกิดเป็นสมาธิใจพระองค์ก็เกิดปัญญาณทัศนะเกิดฌานคือฌานเนี่ยเป็นผลพลอยได้จากสมาธิถ้าจิตไม่สงบแล้วจะไม่เกิดจะไม่เป็นฌานเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วญาณทัศนะหรืว่าฌานจะเกิดขึ้นกับจิตใจที่สงบแล้วนั้นนี่แหละวันนั้นพระองค์จิตใจของพระองค์เข้าสู่ความสงบ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 ดีกว่าง่ายกว่าอันนี้ก็คือเป็นบางคนนะไม่ใช่จะทุกคนทาทุกคนพอทำอย่างนั้นคล้ายๆมันบีบตัวเองมากเกินไปจนจิตใจมันไม่สงบมันบีบอาไรก็ยิ่งออกไปอย่างนั้นก็มีเพราะนั้นเราก็ให้มีสติสัะชัญญะให้รู้จักตนตนเองแนะพูดง่ายๆการภาวนานะให้ดูใจของตนเอง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 นั่งภาวนาเท่าไหร่ไรยิ่งปรุงยิ่งฟุง้งยิ่งซ่านยิ่งไม่สงบพอเราต้องปรับปรุงใหม่เอาตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มันบังคับแตนี่บังคับให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเรียว่าพุทโธให้ทีบยิบได้จิตใจขณะจิตที่มันคิดมันคิดเรื่องอะไรเอาพุทโธเข้าไปอยู่ในจุดนั้นเลยเอาไปอยู่ในความนึกคิดนั้น น, นที่มันนึกคิดพุทโธพุทโธ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 ถ้าเราได้คบบัณฑิตนักปราชญ์มีแต่ความเจริญแต่ถ้าเราครบภารชนมีแต่ความจิบหายภารชนคืออะไรแนะนําไปในทางที่ไม่ถูกต้องแนะ น, นําไปในทางทําความชั่วแนะนําไปในทางที่ไม่ถูกต้องทําให้คุณเบียดเบียนตนและผู้อื่นอันนี้แปลว่าภารชนแต่บัณฑิตเนี่ย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 เราก็ไม่ควรจะไม่ทำทำในสิ่งที่ถูกต้องนี่แหละถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันจะเป็นอุปนิสัยเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยเกิดมาพบใยชาติใดอยู่ด้วยกันเพอเป็นมิตรเป็นสหายเป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นครูบาอาจารย์ชอบพอกันเพราะเหตุใดเพราะเคยประพฤติปฏธธิบัติกันมาในอดีตชาติอดีตชาติมันมีนะ ตายแล้วไม่ศูญน่ะในหลักของพระพุทธศาสนาตายแล้วไม่ศูญอย่างพระพระอนุรธธทุทธเถระเป็นสากะยะวงศ์เป็นเชื้อญาติของพระพุทธเจ้าเป็นลูกพู่น้องของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้ามีพี่น้องหลายๆคนน่ะสุโกตุโทธทนะสุโกธนะโทโตธนะโทโทธนะอมิโตธนะปมิตาอมิตาผู้หญิงสองผู้ชายสี่แต่คงจะไม่ผิดนะ อนุนพอไม่ได้เปิดตำราพูดนะแต่ก็นี่แหละคือพร ะ, พะอนุรรถธาตุเป็นลูกผููน้องของพระพุทธเจ้าเป็นลูกอาพูดง่ายเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ธรรมได้มาเทศปโปรดญาติพี่น้องจากนั้นก็ญาติพี่น้องทะเลาะกันเมืองพิเทหะกับสักยะแย่งน้ำกัน พระพุทธองค์ได้มาเทศนาโปรดพวกพญาติพวงของพระองค์จนเกิดความเคารพนับถือเรื่อมใสพระพุทธเจ้าพั่วหน้ากันโอ้ถ้าว่าพวกเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาห้ามปลามพวกเราคงจะยกพลถล่มกันฆ่ากันในหมู่ญาติตามไม่จริงก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็เส้นผมบางภูเขาอย่างพวกเราเมืองไทยทุกวันเนี่ยที่ทะเลาะกันเผาบ้านเผ า, าเมืองกันนี่แหละ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 แล้วก็ทําแม่น้ําตันเกลืนขึ้นมาก็อาศัยน้ําปล่อยไปทั้งสองข้างเหมือนกันนะทางฝั่งนน้นฝั่งนี้พอคราวนั้นเนี่ยฝนไม่ตกฝนแรงพอฝนแรงที่นี่วิเทหะเนี่ยเมืองพระมานดาของพระพุทธเจ้าหรือว่าเมืองของนางพิมพายโสธราที่บอกเป็นมารดาพระราหุลเนี่ยเรียว่าเมืองพระเทวทัตเนี่ย อยู่ในเมืองวิเทหะกะบิลพัทเองคือเมืองของพระพุทธเจ้าแต่นี้ทางนู้นเขาก็ขอบอกว่าข้าพเจ้าขอน้ําสักครั้งหนึ่งเถอะนะถ้าข้าพเจ้าได้น้ําครั้งนี้เพียงครั้งเดียวก็พอพวกท่านจะเอาต่อไปก็ไม่ว่าทแต่นี้ทางกรุงกะบิลพัทเขาบอกว่าน้ํามันมีจํากัดนะถ้าพวกท่านเอาไปเพียงครั้งเดียวพวกเราก็ไม่มีน้ําเลย ทำบุญก็ใช้นักเลงขึ้นมาไม่มีก็ไม่เป็นไรให้ข้าพเจ้าก่อนก็แล้วกันอ้าวเธตให้ได้ยังไงถ้าว่าน้ํำให้ทางนู้นไปแล้วพวกท่านทั้งหลายมีข้าวกินข้าพเจ้าอดข้าวข้าพเจ้าจะไปขอพวกท่านทั้งหลายได้ยังไงพราทางนี้ไม่มีข้าวจะกินเพราะน้ํามันแห้งข้าวกระช่างพวกท่านทั้งหลายข้าไม่สนพผลในสุดเพียงแค่นั้นเท่านั้นก็ด่าถึงโคดถึงเงากันเลยเกิด ฉึกสงขามกันคือมา ย, ยกพลพักเข้าไปเตรียมพร้อมที่จะถล่มกันแล้วว่างั้นแต่สมนะัยนั้นก็คงจะไม่มีปืนเอ็มเจ็ดถึงเก้าอย่างทุกวันในเมืองเอ็มสิบหทุกวันในเมืองปืนโคกปืนแคกอาปีจงอาปี จ, ปจีคงไม่มีมีแต่ช้างมา้าอะไรแบบถือมีดหอกแหลนเหลาธนูที่ยิงทางไกลได้เท่านะั้นเตรียมพร้อมที่จะถล่มกันแต่นี้พระพุทธองค์ท่านรู้ว่าเนี่ยพวกเคยอญาตจะทะเลาะกัน พระ อ, องค์ก็เสด็์มามากันนั่งอยู่บนกลางอากาศกลางอากาศแสดงอิทธิฤทธิ์เลยวงั้นกระถามสองกษัตริย์ทั้งสองฝั่งพวกท่านทั้งหลายทําอะไรพวกนั้นก็ลดหอกแหลนเห ล, หลาลงทั้งสองข้างเลยว่งั้นแลดอาวุธลงเลยพวกท่านทั้งหลายจะทําอะไรกันพวกหนึ่งก็เลยบอกว่าแย่งน้ํากันพระเจ้าค่ะแย่งเพื่ออะไรเพราะว่าอยากจะเอาน้ําเข้านา พระพุทธองค์กดซักไสเรียงถามเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าน้ํากับกษัตริย์เนี่ยอันไหนมีคุณค่ามากกว่ากันสําหรับเราคือวัตถุกับคนนี่ยกับคนในชาติอันไหนมีมีคุณค่ามากกว่ากันเขาก็ตอบว่าคนมีคุณค่ามากกว่าน้ําพระเจ้าค่ะถ้ารู้ว่าคนมีคุณค่ามากกว่าน้ําทําไมจึงไปทําร้ายทําร้า ย, ท ำ, ายทำร้ายคนไปแลกเอากับ สิ่งที่ไม่คุ้มค่าถ้าพวกท่านทำอย่างนั้นน่ะจะจัดว่าเป็นประเภทไหนลักษณะโง่หรือฉลาดลักษณะอย่างนั้นน่ะกษัตริย์เหล่านั้นก็สำนึกได้ว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่ตรัสถูกต้องเราจะมาฆ่ากษัตริย์เพื่อแลกน้ำเพียงหน่อยเดียวเท่านั้ไม่คุ้มค่ากันเอา้าตกันแบ่งกันบันเนี้คล้ายๆกับบองให้มีคณะกรรมการแบ่งน้าให้เสมอกัน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 ท่านปาฏณาจักรตั้งความปรารถนาว่าขอให้พระพิจารณาได้บวชในสำนักพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์งงงหนึ่งในอนาคตแล้วก็ให้ได้ใหรุติปฏิสัมพิธาให้รู้จักทากดักใจทายใจใคนอื่นได้ได้วิชาสามที่พระพิจารณาบวชได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเตวิชโชสละพิญโยปฏิสัมพิธปัปัตโตคือมีอภินิหารมีฤทธิ์ว่างั้นเะท่านบวชเข้ามาไม่นานท่านก็ได้ฤทธิ์อย่างที่ว่านะ สำเร็จสมความมุ่งม า, ปา่ปราถนาท่านก็ลึกท่ลึกชาติทุนหลังของพระองค์ได้เนี่ยแล้วลึกชาติของท่านคือพระอนุรุทธะเนี่ยท่านละลึกชาติทุนหลังท่านชาติที่แล้วที่เราได้บรรลุธรรมในครั้งนี้มาจากไหนท่านก็เรนน้อมจิตลำลึกถึงอดีตชาติสมัยเมื่อพระพุเทธเจ้าปทมมุตตระนะท่านได้ถวายทานจากนั้นได้ ตั้งความปรารถนาพราะพระุทธเจ้าปทุมุติระกัปยากรจากนั้นท่านก็เวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารพบน้อยพบใหญ่ทั้งทุกข์ทั้งอยากํำบากทั้งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครบบริบูรณ์เป็นเจ้าฟ้ามาหากษัต์ที่ว่าเป็นพระอินทรมากที่สุดพระอนุรุทธะนะเป็นพระอินทร์มากที่สุดที่ได้เป็นเทวดาแต่นั้นท่านเมื่อได้สําเร็จเป็นพระหรหันเป็นอสิติมหาสาวกอสิติสาวก แปดสิบโรคพระพุทธเจ้ายกย่องได้รับเอตตะคะเลิดกว่าพิสุท์ั้งหลายว่าเป็นผู้ดักใจทายใจรู้ใจของคนอื่นกว่าภิกษุทั้งหลายพระอนุรุทธะนี่นะจากนั้นเมื่อท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านเออเราได้เวียนไหวตายเกิดในวะตาะสงสารมายืดยาวนานจีงไหนที่เราที่จะพอช่วยเหลือ มิตรสหายของเราได้บ้างท่านก็ น, น้อมจิตตล้ลึกถึงเออชาติหนึ่งเราได้เป็นคนทุกข์ยากลําบากอยู่ในเมืองพาลาณสีเราเป็นทุกกระตะหาหญ้าขายคือว่าหากินกับหญ้าว่างั้นมาไผหญ้าแล้วก็ขายเป็นอาชีพแต่อาศัยบ้านเศรษฐีใกล้ๆบ้านเศรษฐีบางทีก็ขายให้เศรษฐีบางทีก็ขายคนอื่นถ้าเศรษฐีมาเอาก็ขายให้คนอื่น ขายให้เศรษฐีแต่ก็อยู่บริเวณใกล้บ้านเศรษฐีแล้วก็มีครอบครัวแต่ไม่มีลูกเพราะงั้นนคือแม่บ้านแต่ตอนเช้าก็จะไปแต่เช้าไปเก็บเกี่ยวหญ้าพอได้หญ้ามาแล้วก็คงจะทําเป็นไผ่หรือทาเป็นกาา้านหญ้าขายเป็นอาชีพเพราะงั้นะอันนี้คืออาชีพในชาตินั้นของท่านอนุรุทธาเนี่ยแต่ชาติเป็นเศรษฐีไม่ต้องว่าแล้ว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 เล็งดูยานเอใครจะทาบุญกับเราในวันนี้วะท่านก็ไปเห็นนี่แหละทุกขตะเนี่ยหาบยานเขาจะทำบุญกับเราไหมเนี่ยวูทำเมื่อทำแล้วเขาจะได้เป็นเศรษฐีเพราะเขาจะทำบุญกับเราในวันนี้เขาเป็นผู้มีอุปนิสัยเก่าแก่มาก่อนสนะงสัยท่านอนุรุทธากับพระปัจเจ ก, กคงจะเป็น วงสาคนาญาติอดีตชาติก็คงจะได้เกี่ยวข้องกันกับมังพระพระเจดจึงได้เล็งเห็นอย่างนั้นอันนี้ก็ท่านคงไม่ได้พูดได้กล่าวถึงจากทั้นเขามาโปรดพระโสดเมตตาจะโปรดทุกขตะคนนั้นแต่นี้ทุกขะตะคนนั้นก็หักย่าสวนทางพระประเจก็เดินทางบินบาศชวนทุกตะก็ถามว่าพระผู้เป็นเจ้าได้อาหารอะไรายังครับผม ไปถามพระบินทบาทท่านจะตอบได้ยังไงใช่ไหมท่านไม่ตอบไม่ได้แล้วได้อาหารหรือยังเนี่ยท่านก็ตอบไม่ได้ทุกาตาก็เลยบอกปนนมือวางหาบยาลงแล้วะกนะัปนนมือขอเปิดดูบาดฉลาดนะเปิดดูบาดโอ้บาดเป่าพอบาดเป่าเสร็จแล้วก็ขอเนม่ยมนีน่มนพักุลท่านมาที่บ้านของกระผมคือบ้านของเขาเนี่ยแฟนของ พุกตาเนี่ยเขาจะทําอาหารพอทําเสร็จแล้วแฟนเขาก็ได้เวลาเ้าก็ทานทานเสร็จแล้วเขาก็ไปทําอาหารแล้วก็ไปทํางานบ้านเศรษฐีหรือว่าทางานของเขา่าอาหารที่เหลือก็แบ่งให้สามีเป็นส่วนของสามีแต่นี้สามีเดินมาพระประเ j e c t เดินตามหลังมาเขาก็เรียกถามแม่บ้านของเขาว่าอาหารของผมยังเหลือไหมยังเหลือ โดยถ้าจะเดี้ยว อ, ออกมาให้ผมแม่บ้านเขาก็เอาออกมาพอมาจังที่ทุกตะท่านหิวแสนหิวว่างั้ยนปะหาบหญ้าคามาเงือแตกเงือะไหลแล้วก็มาจะได้อาบน้ําเสร็จแล้วก็จะทานอาหารแต่ก็มีอาหารสำหรับตัวเองอันเดียวเท่านั้นอะ่ะคงจะหาซื้อในตลาดจนอย่างว่านะ่ะท่า น, นก็พอมาแล้วกต่ไปนมยกมือถวายพ่อปัจเจก ยกจบบนศีรษะว่างั้นเถอะอาหารของตัวเองจบบนศีรษะจากนั้นก็ได้เกีย่ยอาหารลงบาดพระปเจกพระปเจเห็นเขาหิวอยู่นะเพราะอาหารอยู่หม้อเดียวพระปเจก็ปิดบาดเอาครึ่งเดียวก็พอละจํานวนที่เหลือให้คุณให้เจ้ากินซะนะลักษณอย่างนั้นทุกตาบอกว่าอาหารนี้เป็นอาหารสําหรับคนคนเดียวพระเจ้าค่ะกระผมขอถวายทั้งหมด พราข้าพระองค์กับผมเองไม่ได้เคยทําบุญทําทานมาก่อนจึงทุกทุกทุกโจนเพราะนั้นข้าพระองค์มาคราวนี้เป็นโอกาสอดีข้าประจข้าพระเจ้าข้าพระองค์ขอถวายอาหารทั้งหมดเพราะอาหารนี้สําหรับคนคนเดียวพระปเจก็เปิดบาตรพอเปิดบาตรเสร็จแล้วแบบทุ ก, กตาก็นั่งประนมมือตั้งจิตอธิษฐานแล้วนี้ตาตุเนอข้าพระเจ้าได้ทาบุญกับพระปเจ บุญกับสัมมนาพ่อปเจกพุทธเจ้าในครั้งนี้บุญกุศลขอให้มากเกื้อกูลหนุนข้าพเจ้าเกิดพบได้ชาติใดคําว่าอดอยากคําว่าไม่มีอย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินอย่าให้ข้าพเจ้าได้พบได้เห็นปรารถนาแบบรวบลัดเลยงั้นคาว่าไม่มีถ้าพระเจ้าต้องการสิ่งไหนแล้วที่ว่าสิ่งว่าไม่มีอย่าให้ข้าพเจ้าได้พบได้เจอได้เห็นขอจึงไหนอยากจะได้ให้มีทั้งหมดอนุรุธาท่านตั้งความปรารถนา พระปเจก็มองเห็นอุปนิสัยของทุกกตะเออสาเร็จสมความมุ่งมา่นปราถนาแน่พราะเขาตั้งความปราถนาอย่างนี้พระปเจกพุทธเจ้าให้พรเเอวังโหตุเอวังโห ต, หตุขอความปราถนาของสัน้นของท่านจงสําเร็จสมความมุ่งมา่นปราถนาเถินนะจากนั้นพระพระปเจกังก่อนเหาะไปเลยแล้วงานแ่ะทุกกตาเนี่ยจินดีพอใจอย่างมากไม่หิวอาหารเลย อีกต่างหากเพราะอิ่มบุญเหมือนันเอะเพรได้ทําบุญกับพระประเจจะได้เทวดารักษาหอปราสาทของเศรษฐีแล้วก็สาธุสาธุสาธุเทวดาไม่เห็นตัวแต่สาธุสาธุสาธุเศรษฐีก็ถามว่าใครสาธุเนี่ยวะเทวดาบอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นใครเป็นเทวดาเอ้าสาธุเรื่องอะไร บอกว่าในทุกตะวันนี้เขาทําบุญกับพระปฏิเจกพุทธเจ้าเขาใส่บาตพระปฏิเจกพุทธเจ้าพวกข้าพเจ้าขออนุมโมทนาบุญกุศลกับทุกตะ เ, เขาทําบุญในวันนี้เศรษฐีก็บอกว่าเอา้าเทวดาไม่เห็นเหรอข้าพเจ้าทําทุกวันทั้งสี่มุมเมืองอีต่างหากทาไมท่านไม่เห็นเหรอทําไมจึงทุกตะทําบุญเพียงครั้งเดียวเท่านี้จะไปอนุโมทนากับเขา แต่ทำไมข้าพเจ้าทำทุกวันทำไมไม่อนุมโมทนากับข้าพเจ้าใครเข้าไปเทวดานเนี่ยเห็นแก่หน้าเห็นแก่ตาลําเอียงลักษณะนั้นเทวดาก็บอกว่าที่ท่านทํานั้นท่านทําเป็ น, เ ป, นเป็นอา จ, จินหรือว่าท่านมีอยู่แล้วแต่ทุกะตะของเขาเนี่ยเขามีอาหารสําหรับมื้อเดียวของเขาจะแท้ถ้าเขาไม่ได้ทานอาหารมื้อนี้เขาก็รุ่นตอนเที่ยงตอนบ่ายเขาจึงจะได้ทานหรือเผือตอนเย็นเขาจะได้ทานเพราะ เขาแบ่งกันอาหารสองสามีภรรยาแต่นี้เขาตัดตัดความสะดวกตัดความสบายตัดอาหารของเขาที่เขาจะต้องได้รับถวายพระประเจกโอ้เป็นบุคคลที่หาได้ยากตัดความสุขของตนเองอย่างนี้เป็นผู้เสียสละจริงๆเพราะนั้นพวกเราจรึงอนุโมทนาและก็ได้ทํากับพระประเจกพุทธเจ้าอิตังหะบุญกุศลมากมายคราวในคราวนี้เทวดาอธิบาย ความรู้สึกให้แกเสรีฐีฝั่งเศษียรโอไม่ได้เราต้องไปหาทุกะตะเลยก็เลยไปหาทุกะตะทุกตะเธอตักบาทใช่ไหมวันนี้ครับผมทำบุญพระประเจกผู้ใจจ้าวันนี้วันเป็นไงโอ้ผมยินดีพอใจผมอิ่มบุญเลยนะวันนี้ันทุกขตะถ้าอย่างนั้นเราขอซื้อบุญที่เธอทำในวันนี้ขายให้เราซะทุกะตะโอไม่ได้ผมไม่ขายเอาเถอะน้า เธอก็ทุกเน่ะอ่าเราจะให้ห้าร้อยกหาปณ ะ, ะเลยเพราะเงนโอ้ไม่เอาพันกะหาปณ ะ, ะไม่เอาเบอร์นกะหาปณ ะ, ะไม่เอาแสนกะหาปณะนะเท่าไรก็ไม่ขายทุกกะตะบอกไม่ขายถึงจะให้เท่าไหร่ก็ไม่ขายขายบุญวันนี้แล้วจะทํำยังไงถ้าอย่างาานั้นแบ่งครึ่งกันหนะ่ะถ้าไม่ขายก็แบ่งครึ่งกันถ้าแบ่งครึ่งนะผมจะให้สมบัติผมครึ่งหนึ่ง เศรษีกัใจสปอร์ตเหมือนกันอยากจะได้บุญเพราะเทวดานโมทนารนี่ใช่ไหมทุกขตาบอกไม่ได้ครึ่งหนึ่งผมก็ให้ไม่ได้แต่ต้องถามพระปเจกพุทธเจ้าก่อนเป็นต้นบุญของผมก่อนเจ้าบุญต้นบุญของผมก่อนผมจึงจะพระพุทธองค์พระปเจกพุทธเจ้าบุตรบอกยังไงสั่งยังไงผมจะปฏิบัติตามนั้นแตนี้พระปเจศพุทธเจ้าท่านก็รู้วารจิตของทุกขตะท่านก็มาแสดงตนให้ปรากฏ มาให้เห็นอีกว่างัไงต่ะทุกขตะก็เลยถามว่าพระปฏิเจกพุทธเจ้าข่าเศรษฐีเขาจะแบ่งบุญสมควรจะแบ่งไหมจะแบ่งให้เขาได้ไหมพระปฏิเจกท่านก็เปรียบเทียบว่าบุญกุศลที่เธอทําแล้วนั้นน่ะเหมือนกับเธอมีเทียนอยู่เล่มหนึ่งจุดไฟมีไฟอยู่ในเทียนของเธอเธอมีเทียนอยู่เล่มหนึ่งมีไฟอยู่ในมือของท่าน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 ที่ท่านอยากจะได้บุญจากข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีแบ่งบุญให้ท่านครึ่งหนึ่งคนละครึ่งกันก็นแล้วกันเพราะได้ถามพ่อปเจกพูดให้เจ้าดูแล้พวพระองค์บอกว่าแบ่งได้ผมจะแบ่งให้เศรษฐีก็ยินดีพออกพอใจเออเมื่อท่านแบ่งบุญให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะแบ่งสมบัติให้แก่ท่านเยครึ่งหนึ่งเหมือนกันเศรษฐีกับสปอร์ตจากนั้นมาก็เลยแบ่งบุญให้ทุกกตะทุกกตะก็เลย เป็นเศรษฐีพิพตาเดียวว่างั้นเถิดที่ได้ทานอาหารกับพระประเจกพุทธเจ้านั่นแหละชาตินั้นน่ะเป็นชาติที่ได้บําเพ็ญกุศลอันยิ่งใหญ่กับเศรษฐีจากนั้นมากับต่างคนก็ต่างตายอย่างที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เลือกเศรษฐีไม่ได้เลือกยาจ ก, กวะงั้นเถิจะมีความสุขขนาไหนตายโดยกันทั้งนั้นพอตายไปแล้วก็ไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าไปนะน่นะบําเพ็ญมากับลมลุกคุกคานทั้งสูงทั้งต่ํา เกิดมาชาตินี้พระอนุรุธทธะก็ได้มาเป็นลูกผู้น้องลูกอาของพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่านที่กรุงกบิลพัท เ, เมื่อท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็เอ้เพื่อนของเราเศรษฐีมันไปเกิดที่ไหนนานท่านมียา น, นาัศนะใช่ไหมล่ะท่านก็เล็งดูยานไปไปเห็นเศรษฐีโอเศรษฐีเขาไปเกิดอยู่บนเขาบนดอยที่ป่าดงพงไพ่ท่านเป็นเกิดเป็นลูก ของสุรุเกตคือเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านเอางั้นน่ะเป็นลูกชาวเผ่าในหมู่บ้านนะที่มีมีใครๆว่าเป็นผู้ใหญ่ของหมู่บ้านนั้นพระอนุรถถุทธะก็เลยเราจะไปหาเพื่อนของเราอย่างไงนะ่ะจวนจวนจะเข้าพรรษาเนะี่ยพระอนุรถถุทธะก็เลยไปจําพรรษาจะไปจําพรรษาในบ้านนั้นละเอางั้นนะ่ยเพื่อจะไปโปรดเพื่อนของท่านเสี่ยวของท่านเนะ่างั้นที่บำเพ็ญมาด้วยกันน จะได้พอไปพอไปพ่อของเด็กเด็กที่ว่าเนะี่ยเห็นพระอนุรทธาก็โอโ้โหเกิดความเคารพนับถือเรื่อมใสใครเข้ามันเป็นบุญเก่าเพราเห็นกันนะชะตามันเข้ากันบางท่นเถอะเห็นเข้ากันมันถูกกันเพราะคนเคยทําคุณนามความดีร่วมกันมามันตรงกันข้ามกับท่าว่าคนทําความชั่ว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 เก่าแก่ดึกํำบันที่มาพบมาเจอกันรักกันว่างั้นแต่นี่นก็พระคุณท่านมายังไงมาเพื่อจะหาที่จำบัรษาเออผมรับก็เลยบอกให้ลูกชายคนโตเด้อจุระจุระมหาจุระที่เป็นเป็นคนใหญ่ต้อนรับท่านนะลูกนะลูกผู้ใหญ่เป็นรู้เรื่องว่างั้นแ่แต่นี่นก็ดูแลพระอนุรุทธะ สามเดือนสามเดือนมันก็ปฏิบัติเหมือนหนึ่งวันนะคนถูกกันนะคนชะตาเข้ากันได้ถึงจะอยู่นานก็มันเร็วๆไวๆผ่านเดือนผ่านปีไปเร็วๆไวๆเหมือนกันเลถ้าคนไม่ถูกกันคนทะเลาะกันนะวันหนึ่งโอ้โหมันเหมือนกับห้าปีอยู่ด้วยกันก็อาบกระอวนเหมือนกันคนไม่ถูกกันเป็นยางงไนแต่คนถูกกันเหมือนกับถูกกันวันเวลาผ่านไปเร็วมาก ตอนนี้พระอนุราทาุทธะท่านกะจํามรรษาอยู่ที่นั่นพ่อของเด็กหนุ่มทั้งแม่ของเขาดูแลปฏิบัติพาอนุรุทธะพอออกมรนสาอนุรุทธะท่านก็บอกเออโยมอาตมาจะได้กลับไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วนะกลาบไปไหว้พระพุทธเจ้าแล้วอาตมาจะลาแล้วแต่พ่อนี่ยก็บอกโอ้เมื่อพระปุณท่านไปเอาถวายพวกผ้าพวกเพสัต ของที่ของอยู่ของสันของสันของใช้ว่างั้นที่จะนำติดตัวไปได้พระ อ, อนุรุธทธะท่านก็บอกเอออาตมาไม่ต้องการเพราะว่ากปิยทธาลกคือสมมาเนยังไม่มีจะกลับเก็บสิ่งของเหล่านี้คนนั้นอาตมาไม่เอาไปแล้วมันหนักไม่เอาไปละนะท่านก็ถามว่า ท, ท่านต้องการอะไรท่านอนุรุตท่านต้องการอะไร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 คงจะเป็นประโยชน์สําหรับพระคุณท่านในอุปถัมปทาเอาเลยโยมจินดีมอบลูกให้เป็นสมัมมเนนพระอนุรธธุทธะท่านมองเห็นว่าเนี่ยตัวเล็กเนี่ยคือเป็นเพือนกันในอดีตชาติเป็นเศรษฐีอท่านก็บอกว่าเออผู้ใหญ่ก็ยินดีแต่ว่าอยากจะได้แต่ตัวเล็กเนี่ยนะตัวเล็กเนะี่ยเอาตัวเล็กดีกว่าพราะคุณท่านยังยังเล็กเกินไปนะ้าเออไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปสอนเองไปอายุเพียงเจ็ดขวบตนเองสุมาณะสัมมณนสุมาณะเด็กชายสุมาณะจากนั้นพระอนุรุทธาเอื่อเอาแต่ก็มอบให้หมอบลูกชายคนเล็กให้ลูกชายคนนั้นก็ยินดีพอใจมันเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะใช่ไหมพอเห็นมันชะตามันเข้ากันได้เลยมันนั้นแหละรักชอบพระอาจารย์อย่างมากมันนั้นแหละตอนนี้เขาไปพอไปเถื่อเอา้า ปงผมน่ะสมณเณรบวชเหมือนกันบวชสมณเณรพอบวชอายุเจ็ดขวบใช่ไหมพระอนุรุทธะครัว่าสมณเณรตั้งใจให้ดีนะเดี๋ยวเราจะปองผมใ ห, หม้เกศาเนี่ยของไม่เที่ยงนะแตมันอยู่ในผมของเรามันอยู่ในบนศรีรษะของเรามันอีกอย่างหนึ่งถ้ามันตกมันหลุดออกไปตกพื้นดินนั่นเป็นของหน้าข ย, ขยะขยะมันหลุดออกไปแล้ว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 ท่านรู้แจ้งเห็นจริงเป็นพระหรหันเลยว่งั้นนละได้สาเร็จเป็นพระหรหันผมขาดเพียงสามเส้นสมณเณ ร, รอายุเจ็ดขวบนะจากนั้นท่านก็เลยเป็นสมณเณรได้เป็นพระหรหันเลยทต่เนี้ยแต่ตัวท่านเล็กก็จริงแต่ใจของท่านเป็นพระเถระเป็นมหาเถระเลยทตนีน่เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะปัญญาญาณทัศนะมีพร้อมหมดทุกอย่างเลยเพราะได้สําสเร็จเป็นพระหรหันจากนั้นท่านก็เลยพา สมมเนเนเหาะเลยงั้นเถิสมมเณนก็มีฤทธิ์เหมือนกันใช่ไหมมีอิทธิฤทธิ์เหมือนกันเหาะมาอยู่ทางเมืองมนุษย์ก็แล้วไปบำเพ็ญอยู่ที่หนึ่งพระอนุรุทธะเนี่ยถึงท่านจะได้เป็นพระทหารก็จริงแต่ท่านยังบำเพ็ญ น, นะพระทหารยิ่งขยันกว่าพวกเราเหมือ น, กนเกษตรถีเป็นเศรษฐีเลยขยันกว่าพวกเราหาเงินขยันกว่าพวกเรานะคนขี้ทุกข์ขี้ยากไงคนอย่างพวกเราเนี่ยไม่มีเงินเท่าไหร่ยิ่งนอนตื่นสาย S <S ยิง่งขี้เกียจทาเงินแต่เศรษฐีนี่รู้จักทางหาเงินเลยมองอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดขยันเหมือนกันอันนี้พระรอนุรุทธะก็เหมือนกันท่านเป็นพระอหารแต่ท่านก็บําเพ็ญภาวนาของท่านสม่มําเสมอของท่านไม่ลดละทั้งที่ได้สําเร็จแล้วนะภาวนาเป็นวิหารธรรมคือเป็นเครื่องอยู่ในการบ ร, ริหารกายบริหารปัจจของขอ ง, ของท่านนะสมณเนรก็ดูแลปุณิบัติอายุจเจ็ดขวบนะ จากนั้นท่านก็ต่อมาท่านก็ปวดท้องคงจะเป็นลมอาหารเป็นพิษนะกำมเร็ก็ถามว่าพระอุปชาครับพระอาจารย์ครับปวดท้องอย่างนี้ฉันอะไรครับถึงจะหายพระอนุลุธทธะบอกว่าถ้าได้ดื่มน้ำจากสะอนุดาจจะหายเออทางนั้นผมจะไปเอาเดี๋ยวนี้แล้วท่านก็เหาะไปเลยไงเหาะไปพญานาค ที่รักษาสะอนุดาษเห็นสำมะเณรถือกระบอกถือบาดมาเพื่อจะตักน้ำเอาไปให้พระอุปชาพระอาจารย์ดื่มพญานาคเห็นนี่กันนั้นนหะขวางตาทีจำมเณรขอเท่าไรก็ไม่ได้เณร น, น้อยผลที่สุดก็ท้าลบท้าต่อยท้าตีกันเลยทีนพูดยังไงก็ฟังยังไงก็ไม่มีเหตุมีขอร้องอยังไงมันก็ไม่ฟังพญานาค เนี่ยแหะคนจะทะเลาะกันมันไม่มีเหตุมีผลนะน้ําเพียงแค่นั้นถ้าเขาต้องการเน่ยก็น่าจะเอาให้เขาแต่อ น, นี้ไม่ห่วงไม่ให้ฮะมันไหลไปนู้นไปเอาทั้งข้างๆล่างๆก็ได้ไม่ต้องเอาที่สะหรอกมันไหลไน้ํามาเดียวกันนั่นแหละไอ้สมเณรบอกไม่ใช่เราต้องการพระอุปชาบอกว่าให้เอาน้ําสะอโนดาดตรงเนี้ยตรงที่มาน้ําผุดออกมาเนี่ยเอ้ยมันไหลไปนู้นน่ะไปเอาทั้งข้างล่างก็ได้พญานาคฮเหมือนกับ พูดไม่แยแสร ง, งั้ยผลที่สุดก็ถ้าท่านไม่ให้เนี่ยข้าพเจ้าจะต้องเอาให้ได้นะเอาเลยท่านจะเอาพิธีอย่างไงฮผลที่สุดก็แผงฤทธิ์กัน่ะแสมาณีนเนี่ยก็ไปบอกเทวดาท้งหลายภุมมะลูกขาเทวดาจนถึงพระอินทร์งงอะไรเงีมาเป็นสกีพยานจากนั้นพอได้ผลนี่จะมองดูเต็มไปหมดในบริเวณนั้นอะไรเ ง, ง สมณเณรกับพญานาคจะแข่งริบใสกันว่างั้นพระอรหันต์เนี่ยสมณเณรน้อยถึงแต่ตัวน้อยกว่าจริงท่านเป็นพระอรหันต์ท่านคนนี้นี่เลยนี่ตัวของท่านเป็นเป็นพรหมเท่นะพรหมสีหน้าเนี่ยตัวใหญ่มากเลยว่างั้นเถอพอแล้วก็ท่านก็เหยียบปอนขาลงมาน่ะเหยียบพญานาคเลยพอเหยียบนีย ก, กับพญานาคหดเข้ามาเนหะมือนกับช้างเหยียบทพีอย่างนั้นเนี่ยอยู่ในอุ้งตีนเลยว่างั้นเธเนี่แหละ น้มก็ผุดขึ้นมาส ม, เมุเอก็ตักเอาน้ําพอตักเอาน้าเทวดาทั้งหลายก็สาธุเห็นส ม, มุนเอแสดงฤทธิ์นะพญานาคจะโอ้ขายกี่หน้าขนานหนักเลยจะเนี่ยคีว่าจะมาไล่สมุนเอญยัยงไม่ยอมได้อันนั้นคนเสียเปรียบมันไม่ยอมใครเลยได้ขยุมเท้าหน่อยนึงก็เอาว่างอนันเถอะแต่นี่ไล่เท่าไหร่มันก็ไม่ทันเพราะอันหนึ่ง พระญานาคที่ว่าชาญโลกีฮงอิทธิฤทธิโลกีอิทธิฤทธิของพระอรหันี่ยอิทธิฤทธิธโลกุตละมันคนละชั้นกั น, น, เ, นเหมือนกันเลเหมือนกระทองเก๋กทองปลอมอย่างนั้นอะ่ะทองเก้เนี่ยมันท้าพิสูจน์ไม่ได้เด้ทองทองจริงเน่ยมันท้าพิสูจน์ไดเออน้ํากรดอะไรลดมันก็เป็นทองอยู่อย่างนั้นแต่ทองเก้ไม่ได้อน้ำกรดลดเนี่ยพังกระจุยกระจายไปหมด เ, เพราะนั้นธรรมของพระ สมมาเนนี่ยพระอระหรันเนี่ยท่านเป็นโลกุตละธรรมทำเหนือโลกเหมือนั้นท่านไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะแต่ถ้าเขามีกิเลสตาคะโทสะท่านก็นสั่งสอนซะสอนอย่างที่ว่านั่นแหะบอกแล้วไม่ฟังนะเอาอยัางไงท่านก็สอนมาแต่ในพญานาคท่านมีกิเลสพญานาคโมโหโกธาตาลุกเป็นไฟเลยแต่ทํายังไงไม่ได้เหมือนั้นไปราบตามไปจนถึงพระอนุรุทธะ แตนอยู่ในที่พักโมยสมมมาณีของท่านเนี่ยไปขโมยน้ําของข้าพรเจ้าน่ยสมมมาณีบอกว่าไม่ไม่ได้ข้าไม่ได้ขโมยบอกแล้วตักออกมาด้วยดีนี่แหละอย่างบอกกันแล่นเะนีย่ยสัญญากันแล่นะถ้าท่านจะเอาจะไงได้ก็เอาข้าพระเจ้าก็ได้ตักออกมาให้พระอุปชาเนี่ยน ะ, พ, ะนรนพระอนุรุธท่านพระรหันจะไม่โกหกแต่นอกจากพระรหันเราโกหกได้ทั้งนั้นพระรหันต่อพระรหันท่านรู้กัน ท่านก็ดื่มเลยดื่มน้ําของสัมมเนนท่านไม่เชื่อพญานาคท่านเชื่อสัมมาเนนของท่านว่าสมมเนนของท่านเป็นพระอรหันต์พอดื่มเข้าไปท่านก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บหายจากลมเสียดท้องก็หายไปจากนั้นพร ะ, ะอนุรุทธะท่านก็เลยบอกว่าพญานาคสัมมาเนนท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะถ้าเธอขืนทําอย่างเนี้ยเป็นบาปเป็นกรรมเธอควรจะขอให้ สมาเณนอา โ, โหสิให้ซะเธอจึงจะพ้นจากบาปกล่ำถ้าเธอยังถือทิฏฐิมานะอยู่อ่งนี้เป็นบาปนะฟังเราแต่ว่าพญานาคคนนั้นก็เชื่อเคารพพระอนุรุธทธะอย่างมากๆเพราะงั้นก็เลยขอโทษสัมมาเนนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอประวัลนาสัมมาเนนด้วยพระอนุรทุทธะด้วยถ้าต้องการน้ำอะไรส่งสัญญาณไปบอกไปข้าพเจ้าจะเอาน้า เอาน้ำมาถวายท่านเลยท่านไม่ต้องไป น, ะนี่ยอมแล้วทีจากนั้นพระอนุรุธทธาเกิพาสัมมเนรมากราบพระพุทธเจ้าพอมาเห็นสมมเนรตัวน้อยอายุเจ็ดขวบเลยพระสงฆ์ทั้งหลายพอเห็นสัมมเ น, นรเท่านั้นมมมน่เอามือลูบหัวลูบหลังลูบไหลเอามือจับหูจับจมกูกกานตะพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นพระสงฆ์เหล่านี้น่ะไปทํากับสัมมเนรเนี่ยสมมเนรไม่ใช่พระ ไม่ใช่สัมมาเนนนะน่ะเป็นพระรหันธ์นะน่ะมันเหมือนกับเอามือไปจับคออสรพิษไปจับคองูเห่านั่นน่ะเป็นบาปเป็นกล้ำนะพราะพระเดชเจ้าท่านมองเห็นพระเหล่านั้นไปล้อเล่นกับสัมเนนท่านก็เฉยเพราะท่านเป็นพระรหันธ์เลยท่านไม่เสียอกเสียใจท่านจับอะไรท่านก็เฉยท่านไม่ได้บอกพระพระองค์เห็นแล้วไม่ได้พลาดเท่านี้ต้องบอกจากท่านท่านก็บอกกับพระอานนท์เอานนท์ เราต้องการน้ำสะอโนดัดมาล้างพ้าบาทเราต้องการล้างเท้าด้วยน้ำสาอโนดัดไปถามสมณเณรหนสิใครจะไปเอามาได้แต่นี้พระอนุก็เลยมาถามพระห้าร้อยอยู่ในวัดป่าเชตวันถามแต่องค์หนึ่งจนองค์สุดท้ายถามมาถึงสุมนณะถามองค์ที่แรกกับปฏิเสธท่านปฏิเสธเพราะหะไรท่านท่า น, านจึงปฏิเสธพระหันไม่มีหรือสมณเณรมี พระรหันเยอะแยะเลยสมมเนนแต่ว่าท่านรู้ได้ว่าเคสนี้หรือเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านต้องการอะไรท่านรู้นะเออท่านต้องการสุมาณะสัมมาเนนแสดงฤทธิ์ให้แก่พระสงฆ์ดูเพราะพระสงฆ์ไม่ไม่รู้จักสมมเนนคืออะไรเพราะนั้นอันนี้ต้องเป็นเรื่องของสมมาเนสุมาณะไม่ใช่นะไม่ใช่เรื่องของเราไนะท่านรู้นะท่านเป็นพ ร, รนะรหันสัมมาเนน แต่บางองค์ที่ไม่ได้เป็นพระหรหันต์เนไม่รู้จริงๆเหมือนกะันแต่ท่านเป็นพระหรหนะันต์ท่านรู้ว่าเคสนี้พระพุทธเจ้าประสงค์อะไรนะจากนั้นเป็นถึงสมมเนนสมมเนนสุมาณะสัมมเนนสมมเนมมเนไปเอาได้ไหมพระอนุนถามได้ครับผมทําไมพระพุทธองค์ต้องการน้ําล้างฝ่าพระบาทคือล้างเท้าวนะ่างอนกันได้ครับผมสมมเนนน้อยกัไปกราบพระพุทธเจ้าท่านพระอนุนให้กระผมไปเอาน้ํา ใช่ไหมกับผมเออพระพุทธเจา้าเอาไปเอามาได้สัมมาเรจากนั้นกเอามือหิวปากหากมอเหาะเลยเหมือนนั้นนั่นแหะแสดงฤทธ์เลยไปก็ไปถึงพญาวาพญานาคพญานาคเฝ้าสารโ อ, อ้สัมมาเรณทาไมมาผมให้โยมให้ผมจัดการให้สัมมาเรณบอกผมไม่ไม่ไม่ต้องเนีย่ยเราจะเอาเองเพราะวันนี้พระพุทธเจ้าสั่งพระพุทธเจ้าต้องการเพวัะนั้นโยม ไม่ต้องออกไปข้าพเจ้าเองงานนี้จากนั้นพอตักเสร็จแล้วก็ท่านก็ใส่บ่าของท่านเหาะมาเลยเหมนกันพระพุทธองค์บันดาลให้พระภิกษุเหล่านั้น่ะวัดป่าเชตะวันเห็นะเห็นสมมาเรนเหาะมาในกลางอากาศพบภิกษุทั้งหลายโอ้สมมาเรนไม่ใช่ธรรมดาเพราะเหตุ น, นี้เองท่านจึงไม่ให้รอเล่นกับสัมมาเรนนะจากนั้นท่านสมมาเรนก็มาถึงเลยถวายน้ําพระพุทธเจ้า จากนั้นพระองค์ก็นี่แหละพระองค์ก็ถามว่าสัมมเนรเธอมีอายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี้อายุเจ็ดขวบพระเจ้าค่ะเออเอาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเอหิภิกษุอุปธรมอุปสำปทานะท่านจงเป็นภิกษุเถิดทาเรากล่าวดีแล้วท่านบวชสมมเนรในครั้งพุทธกาล เ, เป็นพระนี้สององค์สมุนละสัมมาเนยลูกศิษย์พระสารีพระอนุรุทธานองค์หนึ่งฮะนี่แหละ ท่านบวชเป็นอายุยังไม่ครบบวชแต่ท่านบวชเป็นพระคือใจของท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วเป็นพระมหาเถระแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าถึงจะหัวงอกหัวขาวก็เถอะถ้าจิตใจยังมีกิเลสสาคะโทสะโมหะอยู่อันนั้นยังเป็นพระเล็กพระน้อยเแต่ถึงจะเป็นสัมมาเนนก็เถอะร่างกายเป็นสัมมาเนแต่ท่านเป็นพระอราหันต์นั่นแหละคือพระมหาเถระท่านเอาเอ า, เอาใจเป็นใหญ่นะ เอาใจเป็นมหาเถระนะแต่ร่างกายเนี่ยถึงจะหัวงอกผมงอกผมขาวอายุมากขนาดไหนก็ยังเป็นยังเป็นเด็กอยู่ท่านั้นยังไม่รู้เดียงสาภาวะยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเหมือนกับไก่หนะ่อยตัวไหนเจาะเปลือกไข่ออกมาได้นั่นแหละตัวนั้นแหละเป็นพี่แต่ตัวไหนยังอยู่ในไข่อยู่ยังมันยังเป็นน้องอยู่ถึงจะแก่ขนาดไหนก็ยังเป็นน้องอยู่ แต่ตัวไหนเจาะออกมาได้ตัวนั้นแหะคือพี่ะอันนี้ก็เหมือนกันพูดที่เจาะมัฏฏะสงสารออกไปได้นะคือพระอรหันต์แต่ทั้งอยู่ในเปลือกไข่อยู่ยังไม่ออกจากเปลือกไข่ได้นั่นคือปุตตุชนจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัตฏะสงสารเป็นอนันตาการนี่แหละสรุปแล้วในเรื่องนี้ที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังมาในพระไตรปิฎกทั้งนั้นในการทะเลาะเบาแวงกัน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 จนก็จนด้วยกันมีก็มีด้วยกันมันก็มีเพียงแค่นั้นแต่ถ้าว่าไม่เข้าใจกันแล้วเนี่ยไม่เป็นอย่างอื่นต้องน้ำต้องละเลงละลายแดงฉานไปเลือดของคนมันจะอาบพื้นแผ่นดินในช่วงนั้นเป็นไม่เป็นอย่างอื่นไงอันนี้แบ่งกันได้แล้วก็จบไนงะ น, นี่แหละคือหันหน้าขอหาการปรึกษาปรารถกกันรู้จักทางออกถ้าไม่รู้จักทางออกก็อย่างว่าฆ่ากัน แต่ในอย่างพระอนุรุทธะท่านได้คบพระปฏิเจกาพุทธเจ้าเพื่บัณฑิตานั่นแต่เสวนาคบบัณฑิตนักปราชัยท่านได้ทาบุญประพระปฏิเจ้จาจากนั้นก็เศรษฐีท่านก็ใจสปอร์ตเหมือนกันถ้าบางคนนย่างนี้จะแบ่งให้เขายัางไงทรัพย์สมบัติบุญไม่เห็นตุลเห็นตัวเห็นตนจะไปแบ่งให้เขาได้อย่างไรแต่ท่านเศรษฐีน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 ที่เป็นมิตรเป็นสหายกันมาเก่าแก่ก็ไปเกิดอยู่เป็นลูกผู้ใหญ่บ้านอยู่ในชนบทนะท่านจะได้ไ ป, ปโปรดนะนี่แหละเพราะว่าธรรมบทหรือว่านิทานในเรื่องนี้มัน ม, มีมีหลายแนวแนวความคิดอย่างไปสู้กับพญานาค ก, กันพัรหานิท่านไม่ได้ใช้อำนาจวาสนาบาลมีขอร้องดีๆ แล้วไม่ไม่ยอมให้ได้ทำยังไงในเมื่อไม่ยอมให้ก็ต้องแสดงฤทธิ์ที่เหนือกว่าจนพญานาคยอมแพ้ไอคนที่ยอมแพ้น่ะพญานาคเลยไม่ยอมเสียเปียบหรืต่างหากท่านนี่โกรธโมโหโกธาจะไล่กระยีสมมเนนอีกสัมมเณนจะไปไล่กระยีได้ยังไงท่านมีอิทธิฤทธิ์ที่เหนือกว่าพราอมีอํานาจเหนือกว่ามีกฎหมายเหนือกว่ามีสตราวุธเหนือกว่าแเราจะไปทํำยังไง ทำไปเถอะอะไรก็ยิ่งเสียเปรียบนงถ้าจะทํายังไงนี่ต้องไปหาพระอนุรุทธะพระอนุธธุทธะก็ท่านห้ามอีกนะพญานาคก็เชื่อฟังถ้าไม่เชื่อฟังก็คงจะไปใหญ่เหมือนกันอันนี้เชื่อฟังยอมสารภาพแล้วก็ยอมโอโหสิขอให้พระสมณเณรโอโหสิให้นะนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งจากนั้นพระพุทธองค์ก็บอกเนี่ยการไม่รู้จักสูงจับต่ำพวกพระทางหลายเป็นล้อเล่น กับผู้ไม่รู้จักสูงจับ จ, จักต่ำมันเหมือนกับเอามือไปจับอสรพิษไปจับหางอสรพิษเป็นบาปกล้ำหนักเพราะนั้นภพหลวงจรงให้สมณเณรแสดงฤทธไปเอาน้ํามาให้ดูนี่แหละสรุปแล้วก็คือนิทานหรือว่าธรรมบทในเรื่องนี้ให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ํา ให้รู้จักสิ่งควรไม่ควรให้รู้จักกาลเทสะจะไปอวดดีไม่รู้จักคบค้าสมาคมให้จับทําบุญทําทานการทําบุญทําทานกับพระประเจกเห็นไหมเอวังหัวตุเอวังหัวตุอววตขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จนะเกิดมาพบใดชาติใดคําว่าไม่มีอย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินข้าพเจ้าต้องการสิงไหนแล้วขอให้มีในสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการพระอนุรุทธะ ท่านปรารถนาสมัยเมื่อท่านเป็นทุกขตะเนะีเกิดมาพบนิชาตินี้แล้วเกิดมาพบใดท่านก็สิ่งที่ท่านต้องการมีครบทุกอย่างนะเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้ยกเป็นนิทานหรือว่าเป็นเรื่องราวมาในพระไตรปิฎกให้แก่พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ศึกษามีหลายแนวหลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นวิธีการปฏิบัติภาวนา พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้อะไรในวันเดือนหกเพ็นนะ่ะท่านภาวนาอย่างไรให้พวกเรายึดแนวแถวพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพวกเรากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะแต่หลวงปู่มั่นพนวะเวลาหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทนะให้มีพุทโทพุทโทในจิตใจเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานแล้วนะท่านก็ไม่ให้หยุดอยู่เพียงจกจิตสงบเท่านั้นนะ จิตไม่หิวจิตไม่โหยจิตไม่กระวนกระวายจิตนิ่งจิตเย็นสบายจิตไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านกับอารมณ์ต่างๆจิตอิ่มจิตเอิบอิ่มนัดถิสันติประรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อจิตสงบแล้วจิตพักผ่อนเป็นพอประมาณแล้วเน่ยก็นำจิตที่พักผ่อนแล้วเน่ยนำมาพิจารณาทางด้านปัญญา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 เราเป็นพ่อก็เป็นพ่อที่ดีเราเป็นแม่เป็นแม่ที่ดีเราเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีเป็นครูบาอาจารย์กัเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นลูกศิษย์ก็เป็นลูกศิษย์ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีเจริยธรรมที่ดีในขณะที่มีชีวิตอยู่อย่าไปหลงไหลลุ่มหลงมัวเมากับกิเลสราคะโทสะโมหะจนเกินไปหน้าให้รู้เท่ารู้ทานเอาไว้เนอะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกอย่างพระอนุรุทธะทันระลึกชาดหัวหลังได้ นี่แหะตายแล้วไม่สู่ตายแล้วเกิดอีกเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจนถึงที่สุดท่านก็ได้ชําระใจของท่านรู้แจ้งเห็นจริงที่ท่านบําเพ็ญมาได้เป็นพระอรหันต์คะเป็นพระอรหันต์ที่แปลว่าหมดแล้วท่านนี่จิตของจิตใจของท่านเป็นธรรมธาตุแต่เป็นธรรมธาตุละจิตใจว่างจิตใจไม่มีอะไรจิตใจหลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสเพราะนั้นขอให้พวกเราศรัทธาญาติโยมพระเนน ลูกหลานทุกองคหน้าให้ตังอกตั้งใจพะพูดปฏิบัตินี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ปฏิบัติอย่างนี้ท่านให้ทำอย่างนี้ความหลุดพ้นท่านไม่ได้เลือกเป็นสัมมาเ น, นก่อนหลุดพ้นได้ทางบอกผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาจริงเอาจังก็สามารถที่จะเป็นพระรหารได้ทุกรูปทุกนามไม่ว่าหญิงว่าชายการพูดการแนววันในวันนี้ก็เห็นว่าสุงควรกับการเวลา ขอจุดติในการพูดเพียงตอนนี้อะตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะ